เรื่องทรงรับพระเวรุวันเป็นวัดแห่งแรกข้อห้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปยังพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมกฤษฎ์พรั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งบนอัศนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมกฤษฎ์ทรงนำของเกี้ยวของฉันอันประนีต พระเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกด้วยพระองค์เองกระทั่งพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จแล้วทรงห้ามพัฒหารแล้วลาพระหัตจากบาตจึงประทับนั่งในที่สมควรเท้าเธอทรงดํำริว่าพระผู้มีพระภาคควรประทับที่ไหนหนอที่แห่งใดอยู่ไม่ไกลและไม่ใกล้จากหมู่บ้านนักคมนาคมสะดวกผู้ประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนสงัดเสียงไม่กระทึกเว้นจากคนสัญจรไปมาเป็นที่กระทำกรรมาลาบของหมู่มนุษย์ควรแก่การหลีเกเร้นจึงมีพระรดําริว่าอุทยานเวรุวันของเรานี้ไม่ไกลและไม่ใกล้จากหมู่บ้านนักคมนาคมสะดวกผู้ประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้กลางวันไม่พุกผลานกลางคืนสงัดเสียงไม่กระทึกเว้นจากคนสัญจรไปมา เป็นที่กระทำกรรมลับของหมู่มนุษย์ควรแก่การลีกเล่นอย่ากระนั้นเลยเราเพิ่งถวายอุทยานเวรุวันแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วส่งจับพระสุวรรพิงคันหลังน้ำน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคด้วยพระราชชดํารัตว่าม่อมชันขอถวายอุทยานเวรุวันนั้นแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้วทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิพิสารจอมทัพมคุณราชเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อานหันแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากที่ประทับเสด็จกลับต่อมาพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอารามพิมพิสารสมาคมกระถาจบ